อไม่รู้จะมีเสียงไหมหมดเสียงไปร้อยวันไม่ต้องฟังเอาเสียงดีเสียงไปดีฟังเราการปฏิบัติเพื่ อ, อไปสัมผัสเราไปทำวานนี้ได้โทษเรื่อง การปฏิบัติที่ไม่ผิดในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐ า, าน mm hmm. แต่มันก็มีอันผิดอันถูกธรรมดาผูกพูดกันไปเราทำอะไรก็เช่นเช่นมันเหมือนกันนั่นแหละ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 เป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ากันแรกอีป่าอิสิปั ต, ตนะมะลึกกฐายวนันเทศให้ปัญจะไปคีฝั ง, ว, งว่าทางที่ไม่ควเรเศกไม่อยู่สามอยา่างปัญไปคิดไม่ควรเสษไม่ควทรทำคำว่าเสกมันคือไม่ควทรทำ ปัฏฐานิดปฏิปัฏฐานุโยกคือปฏิบัติเขร่งเครียดตึงเครียดจริงจังหรือยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของตนความมุสนนการนิการโยกอ่อนแอค่อยตามผลิตนิสัยของตนเราชอบอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ทําเราเบื่อเราก็ไม่ทํา เรา็ยันเราจึงจะทำเอาความอ่อนแอเอาความให้ความคิดพาทมไม่ใช่ทาด้วยสตางแต่สิ่งที่ควรเสกค็ไม่อยุดคือมัชิมาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ไปคิดคือทำตามอริยมรตือมีสติเข้าไปดูไปเห็น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 คิดขึ้นมาก็เอาถูกกับผิดกับความคิดความถูกกับความผิดมันอยู่กับความคิดนั่นมันยังแค้ไม่ได้เราจึงศึกษาเพื่อให้มันเป็นรุ่นรุ่นก้อนก้อนจริงๆไม่ใช่วิชาการอาจจะเป็นวิชาการและภาคปฏิบัติการไปนในตัวพร้อมพรองกันไป เข็นวิชากรรมฐานเป็นวิชาศึกษาที่สมบูรณ์ในทั้งโกกูกประธรรมในทั้งนมามธรรมมีทั้งการกระทำํำมีทั้งทำผิดมีทั้งทำถูกพร้อมๆกันไปเรื่อนก็ผิดเป็นความถูกขณะที่มันผิดเรื่อนความหลงเป็นความไม่หลงขณะที่มันหลงมันจึงจะเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบ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 ตอนมีเหตุเหตุทีเราก็ทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลขึ้นมาเกิดจาย์เกิดความรู้ต่างเกา่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาัญญานจางรู้รูกทํานามธรรมเห็นรู้เห็นนามเข้าไปเห็นของจริงเห็นของไม่จริงเข้าไปของจริงอยู่บนของไม่จริง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 ไปทำงานกรุงเทพเกลับมาบมาเลี้ยงกันเถอะเเรียกว่าฟุกไปทำงานต่างๆประเทศกลับมาบ้านเพื่อนๆไปเยี่ยมไปเยี่ยนขอสุโภรียักวอนพวกแป้งห้าร้อยให้เขามันจะอะไรมันจะเหลือมันก็หมด ก า, ารปฏิบัติธรรมกัมานกันเมื่อมียาเกิดขึ้นเกิดความโลภ ก, ก็ไปใช่ความโลย ไ, ไปมามันก็เสื่อมเป็นเป็นธรรมที่เสื่อมเรียกว่ากุประโมเป็นธรรมที่สึกมันก็คนจนเศรษฐี กลายเป็นค น, นจนเศรษฐีกลายเป็นยาจกคนจนกลายเป็นถีเศษฐีกลายเป็นยาจกเป็นไปได้เช่นกันนักปฏิบัติธรรมเราจะเป็นเปรดเป็นสัตวลกก็ได้ถ้าเราหลงไปเอาไปโอ้ไปอวดกันไอ้กนะู้ตีคน ไม่สู้เวียดไม่สู้การไม่สู้งานไม่เอาหมูเอามิตรเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นก็นี้อะไรนี่หน่อยก็โกรธใจสาะใจโาะใจบางไม่เข้มแขงก็มีือนกันเราอยู่ในป่าเส น, นอยู่ในถ้ำเส น, นอะไรก็สะดวก ก็ช่วยเหลือเสียหน้านไม่สู้อะไรเลยก็ไม่ได้ก <c oughs> ารปฏิบัติทำทําให้อ่อนแอก็เป็นไปได้ทําให้เข้มแข็งก็ไม่เหมือนกันเป็นความม่วงปฏิบัติไปเคยดความม่วงการที่จะเข้มแข็งตัวนั้นก็อ่อนแอไปเลยปฏิบัติที่ใดก็ม่วงเลยออปฏิบัติที่ใดก็ง่งวงก็นอนก็เลยอ่อนไปเลย ใจอ่อนเลยไม่สู้เลยพอทำงานอะไรนิดหน่อยเน็ต อ, อะไรเงยไหลใชย่อยแสงแดดล้นอองฝนหนาวร้อนไม่สู้มันจะเข้มแข็งตรงนั้นละเข้มแข็งที่มันจะอ่อนการปฏิบัติทํามกับมันการความง่วงทำให้เราเข้มแข็งความอุ่นสั่นลมพาญทําทให้เราชัดเจน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 การปฏิบัติธรรมยาอ่อนแอเหมือนหัวควายบางตัวใช้งานใช้การไกล่เ่ัวเทียมเขียด <c oughs> บางคู่โตใหญ่ใหญ่โตพอให้ดันขี้โคนสักหน่อยก็ร้องแล้วโอ้โห ก, ก, ก, ก็ไม่สู้ ใส่วัวกัล่อนวัวก็จ่้นน อ, อมนมากระจ้อนพอให้จันคนเราชอบพัอนมือนมากระจ้นมาแขกที่ประเทศเอินเดียมารับจ้างเขาเขาไม่เอาม้าใหญ่หมากระจ้อน <c oughs> ใส่รถเทียมรถบรรทุกคนคันละเจ็ดแปดคนมันก็โดดใส่เอา มันเดินไม่ไหวมันดันไม่ไหวมันก็โดดใส่มันก็โดโดใส่โดดเป็นจังหวะก็โดดเป็นจังหวะเพื่อรับแอ๊ที่มันอยู่ในคอมันดันไปจากกระชือไปอเขาที่จะกูโอ้ยเราก็สงสารมันบอกเพื่อลองไปขี่รถ้าไปได้ไดเลย รถกันอื่นนั่งไม่ได้เลยสงสารมากไปถามดูเขาว่าไม่มีเขาจัดเขาจัดและเบียบให้มีรายได้กับพวกรถมากเขาก็ให้รถเครื่องยน์คนไกลไปรับจ้างตรงนั้นอเป็นทางรถมากันเราก็สงสารมัากใจคนกดสู้นะมากก็เจาน ชีวิตเรากำลังกันให้มันเป็นหมาก็จ้อนสักหน่อยโซ่กันนะพยายามจะจะเป็นหมาเทศก็ใหญ่ใหญ่อาจจะใจสออโซ่กันมันง่วงดันไปสู่ความไม่ง่วงมันหลงดันไปถูกความไม่หล ง, งมันฟุ้งซ่านดันไปถูกควาไ ม, มาา ไ, วาไม่ฟุ้งซ่านมีสติเข้าไปจุดหมายปลายทางของเราคือความรู้สุดตัว สู้ตรงนี้หรือเปล่าพวกเราฮะสู้ว่าไม่แจ้วสู้ข้อมุงอ่งมังบอแต่ว่าไม่ได้สู้เพื่อตะเกียกตะกายนะะสู้แบบตะเกียกตะกายมันก็ไม่ค่อยดีนะสู้แบบไม่สู้สู้แบบขี่คอควา ม, มวงุ่งม่งฮะสู้แบบยิ้มวิธีปฏิบัติทำสู้กับปัญหาต่างๆมันยิ้มนะ ไม่ใช่น่าบูดน่าเบื่อหนะไม่ใช่เศ้าหมองมันยิ้มรับนะเห็นทุกข์ก็ยิ้มทางเดียวเห็นความโม่งก็ยิ้มท่าเดียวเห็นความคิดลังเลสงสัยุผงสาดยิ้มรับมึงท่าเดียวผ่านปฏิบัติธรรมถ้าไปบูดเบืต่ตจนเกลียดไม่ใช่นะักปฏิบัติถ้าไปเอาผิดเอาถูกคอยที่จะชอบความถูกคอยที่จะระวังไม่ให้มัน ผิดเพราะันผิดที่ใดก็ไม่พอใจมันไม่ลากเลืเล่นแบบนั้นปฏิบัติไม่ลากลืก่นไม่สนุกการปฏิบัติสนุกต้องลุยๆเท่าหน่อยถูกก็อืม้มผิดก็อืม้มไปไเรื่อยๆฮะเราทำงานร้อนก็ไม่เป็นไรอย่าไปเห็นความร้อนเป็นความเด่นเวลาเราทำนาดนํานา แสงแดดผ่าลงมาอไหลครย่อยไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นปัญหาแล้วองฝนตกลงมอเปียกเลอะเธอะหนาวไม่เอามาเป็นปัญหากำลังทำงานกำลังทำงานเรื่องร้อนเป็นเรื่องเล็กเรื่องหนาวเป็นเรื่องเล็ก ท, ทำงานทำงานทำงานปักตำลายจนเสร็วันหนึ่งวันหนึ่งมันแหละเป็นงานของเรา พอไปเจอร้อนก็โอ้ยไม่สู้เจอหนาวแล้วก็ไม่สู้มันจะเสร็จอะไรการทํางานมันก็ต้องมีการเจริญสติมันต้องมีความหลงความผิดความทุกข์ความยากความลำบากความยากความลำบากไม่มีปัญหาต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เลยการปฏิบัติธรรมเห็น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 ถึงกระดาดมันมืดแปดด้านดงขนาดไหนมันก็ไปได้เราก็ให้มันชัดเกนจักเกณฑ์เป็นนักปฏิบัติเต็มตัวมันนักทำงานเต็มตัวก็บทุกขาดาง เราสึกเราเลือกได้ทุกโอกาสคัามสุขความทุกข์เป็นเลือกสองขอบทางเราเดินผ่านตรงกลางเลยเมื่อเราเดินทางความสุขความทุ ก, ก ข, กกมมขมก์มันอยู่ข้างซ้ายข้างขวาความผิดความถูกมันอยู่ข้างซ้ายข้างขวาไอ้นักเดินทางก็ต้องอยู่ตรงกลางผ่านสิ่งเราเ น, นี่ไป อทีไปเจอร่มเย็นเย็นอ้าวแวะแค่แล้วไม่ใช่มันก็มีมืกันนะะเดินทางไปเจอล่มเงาเย็นเยน็นชวนนั่งชวนนอนชวน พ, พักผ่อนก็ไม่ถึงไหนแล้ว <c oughs> ต้องไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆไปสู่ความรู้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 ตามมาราคะเกิดขึ้นผ่านไปบานแล้ว้านเล่าผ่านไปเรื่อยๆ อ, อะไรที่มันทำให้ขวงหน้าก็ผ่านสิ่งเหล่านั้นนะในสถีเรื่อยไปตื่นเต้กได้ไปเจอไปพบไปเห็นของเทศของจริง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 เมืองอะไรหรอเมืองสีพีไม่มีใครบอกเลยช่วยกันจบไปสู่เขาคีรีบงกตไปเจอของเท็จก็ไปไปเจอของจริงก็ไปไปเจอขอ ง, งจริงก็ไปหาเพื่อน เพื่อนอะไรเพื่อนนะฮะไปเจอทานเกตตบุตรไปเจอจจุดตะลุสีสามอจจุดตะลุยสีนูนบอกทิศทางไป ไปเจอนายพานเกตบุตรนูนเขาสิริมงคลขี่ทางไปแต่เมื่อไปเจอขวกเจอหนามครับไม่ใช่ไหมแต่เชื่อขี่บอกทางอยู่แต่ว่ามันการเดินะนะมันต้องไปเจอถนอนห น, นทางโกขา บ, บ้ า, า, งษษษษางก็มีการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไปเห็นลกูกเห็นน้ำโอ้เหมือนกับ เศรษฐบุตรขี่ทางให้อนอนแล้วมาถูกทางแล้วไม่ผิดแล้วมันก็เราเดินทางเราต้องกลับไปไหนล่ะ ไ, ไปทางหน้าเรื่อยไปแล้วก็ไม่เสียวเวลาเห็นโลกเห็นน้ำโลกน้ำมันบอกทางให้เรา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 ศาสนาพุทธศาสนาคืออย่างนี้อย่างนี้นไปพบเห็นไปพบเห็นสิ่งเห็นสมาธิเห็นปัญญาเกิดความรู้เกิดตืด่นเต้นลืมตัวก็ไม่นะตรงนั้น ลืมตรงนี้ก็ไหนลืมล่มลืมสุกไปสุกไปติดความโลภเอาเหมือนพูดเมาานนื่อวานกลายเป็นวิปัสสนูไปแทบลงไปประสมาธทันทีเหมือนเหมือนบ่าได้กบใช่ไหมเคยเห็นบ่าได้กบไหมคนภาษาอไปยินไหมคำพูดอันนี้ยามเกาคือบ่าได้กบห็นไ ได้ยินไหมพเราคนภาคกลางไม่ได้ยินนะฮะแต่คนว่านอกได้ยินนะถามกขาก็คือพีบาได้กบคนจนสากนีอ่อ่มันก็เป็นแบบนั้นได้วันรูปมาคำอยู่ตรงนี้หละบาได้กบพอไปจกเอากบหูโลนี้ได้แล้ววันหลังก็มาจก รูเก่าอยู่แล้วบ้าได้เก่าทั้งที่มันไม่มีก็มาจกอยูบกันแล้วมาเอาเอาแขนไปสอดเข้ารูเก่าจบแล้วจกกี่ว่าจะได้ครบตรงนี้ได้พบตรงนั้นก็โลกคําอยู่นั้นติดแล้วกันไปไปหารูใหม่เลยไม่ไปหารูใหม่เอาแต่รูเก่ามันจะได้อะไรโลกคําอยู่ของโูกของตนโอ้ยพออกพอใจ พออบพอใจตรงนั้นแหละมายกับผมพอไปเพื่อนกันไปก่อนก็เป็นคนเล่นโบกพอเล่ น, บนโบกก็มานอนนับเงินเวลาเราไปหาที่ใดเอาเงินจุกกระเป๋ามานับมานับเงินเต็มมานับเราก็ยกใส่หัวงเอาไว้ใส่กระเป๋าเปิดเป็นวันไหนก็มานับเงินนับไปนับมา คิดว่าจะเอาเอกนะไปเล่นเีกน็น้าเอาไปเล่นห ม, หมดเตะ ม, ม, มุดไหลมาเมลไม่ีเหลือเลยความได้มันก็มีความเสียถ้าเราไม่ต่อกัน <c oughs> เราต้องหดสร้างนะตรงไห น, นอย่าอย่าประมาท ร, ระวังดีๆเพราะเราในเงินมีทองไปพอใจกับในเงินในทองต้องทําเหตุที่ทา ทังทำเหตุที่มันได้เงินขึ้นมามันยังจะมีต่อไปได้ทําเหตุตัวปฏิบัติจะทิ้งไปกรับมาปฏิบัติทำจเจริญสติสบายแล้วปะเนี่ยเรื่องโลภนามอารมณ์มันมาช่วยเราฐานอยากดีแล้วปะแต่ก่อนมีแต่สติช่วยยังไม่มีอารมณ์มาช่วย ช่วยกําลังหัวเลี้ยวหัวต่อฝังร่นสติอย่างเดียวช่วยเราพอได้ลมรูปนามเอาลมรูปนามมาช่วยอีกหลายแรงนะให้ก็เป็นโลกทำนามทำอันที่โลกนามให้ช่วยให้เราลบกับศัตรูที่ไล่ไล่เปนไปความโลกความโกรธความหลงได้อย่างสบายทิธิจะหลีกยึดใส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 โอ้โอนใจหวนนักลบยึดพื้นที่ได้ได้มูได้มิดเกิดมิดร่วมมิดกันเหมือนประเทศสัมพันธมิตรที่ไปโลกประเทศอืน่นละดันอนั้นเป็นสมุติไปเปนาะเกิดความสมัคคีในธรรมมาเป็นกลุ่มมาเป็นกันะยานธรรม มาช่วยได้ลมรูปนำตกยากกว่านะเข้มแข็งที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมริปัสสนูเป็นสิ่งที่บ่งบอกไม่มิดปลาย <c oughs> ลกทางสี่แยกห้าแยกเห็นชัดตรงเนี้ยพอเราเดินทางตรงที่มันลงเราเห็นชัด เราก็เป็นผู้ชำนาญในการเดินทางได้การเดินทางสู่การปฏิวัติสู่ความหลุดพ้นตรงไหนที่ไม่ทําให้ไม่เกิดความหลุดพ้นเรารู้มีแต่พ้นความหลงกับพ้นจากความหลงความทุกข์กับพ้นจากความทุกข์ความโกรธกับพ้นจากความโกรธความโลภความหลงความวิตกกวงวลพ้นไปเรืเลย ความหลุดพ้นเป็นเอกลักษณ์เป็นเป็นสิ่งที่สง่าที่สุดของนักปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าว่าผมอาจารย์นี้ไม่ใช่เพื่อนราบสักุละเสียงเสิร์นเยินเราผมอาจารย์นี่ไม่ใช่หมูมิตรพวกพ้องบริวารไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่เป็นเจ้าลัทธิผมอาจารย์นี้ เพือวิบูตความหลุดพ้นโอ้แน่นอนที่สุดเลยฮาการปฏิบัติทำพ้นอะไรมันก็มีมันก็เห็นอยู่ในตัวนี่แหละมันพ้นอะไรมามันก็เห็นปฏิบัติปัจจัดตังเห็นเอาเองฮะเคยลูบลูบลูนามเห็นลูบเห็นนามพ้นจากลูบพ้นจากนามไว้ ห, หลักใจฐาน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 ต, ตกตกตอกเตกเหมือนเราฝึกมาฝึกหัวเทียมไถฝึกมาเทียมรถอาจจะไม่ต้องดึงเน้าดึงหลังเรื่งกระดิ่นี่เดียวก็ไปตามที่เราต้องการการดนเป็นธุรกิจสะดวก <c oughs> เพราะว่าเราฝึกมาพอสมควรมันก็มีอนกสงสกายก็ เกิดอดิสงใจก็เกิดอนีสงสติสมัญญากายก็เชื่องลงไม่พยศการนั่งก็สะดวกการเดินก็สะดวกไม่ปวดขาปวดแขนเท่าไรความปวดความมวยไม่มีปัญหาไม่เหมือนสมัยทำใหม่ๆความคิดก็ไม่ลบ ก, กวนว่วงางๆเนาะนอนก็ลุมพบลึกชาติไป ทีต้องคิดหามันก็เกิดความแน่วแน่เกิดสมาธิมั่นคงไม่งอนเงี่ยนคอนแคลนอะไรมามันไม่ถึงเราทันทีแต่ก่อนอะไรมาก็ถึงเทันทีผวมง่วงก็ถึงเราความคิดก็ถึงเราแอ่ทีนันไม่ถึงเร า, างร่ยมันมีธรรม มันมีกันระยาดัตธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วคนปฏิบัติธรรมนะผู้วังเพีนทางกิจถ้าใายไม่สติดูกิจไม่ดดกิจดูกิจหลวงปเทียนพูดคำนี้ไอ่อยมีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจอะไรอ๋อโมฟังดูแล้วเอาไปคิดอย่าําพูดเรื่องนี้อยา่าเอาไปคิด ข้าไปคิดไอคิดมันปวดหัวในสดีดูจิตไม่จิตดูจิตพยายามคิดให้มันว่างมัใช้หลังคนพอให้มาปฏิบัติทำเขาพูดแต่เรื่องจิตเรื่องสติเรื่องความคิดปวดหัวไปเลยเอามาทําเราอาจารย์โทดเรื่องสติเรื่องความคิดเรื่องจิตไม่รู้เรื่องเอาไปคิดก่อนช้า อะไรแล้เอาความคิดออกหน้าออกตาหาคำตอบจอากความคิดเสร็จเลยไปไม่ได้ไม่ได้บอกแค่คิดมีสติเอายกมือช่างจะบอกรู้จักตัวก็บอกอย่นี้เท่านั้นเองเวลาใดมันคิดแต่ไปจก็เข้าไปในความคิดให้กกับมารู้จักตัวก็บอกแค่นี้แล้วเขาก็ไปคิดใหญ่เกินไปคิดพอหลงพอเถื่อนพูดเลยเอยต่อมาคิด ไม่ใช่ให้เอามาคิดเอามาทำแต่ทําแล้วมันเห็นก็จงต้องจึงค่อยไปรู้เรื่องคําพูดแต่มันไม่เห็นก็อย่าออกมาคิด <c oughs> <c oughs> มีสตรริดูจิตมีจิต ด, ดูจิตบําเพ็ญทางจิตตกแทกตอกแทกตอกแทกอยู่เท่านั้นนไม่มีอะไรนะเวลามันไม่คิดก็มีสติไปเวลาไม่คิดก็ดูกิตมีจิต ด, ดูกิต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 เราทาไปทําไปมันก็เป็นอันเดียวเราเรียกว่าเอตตัคความเป็นหนึ่งควาเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นมีสติดูกิดไม่กิดดูกิดเห็นอะไรก็มีเท่านี้แล้วเกิดเท่านี้แหละมันเกิดไปนานๆก็มีเท่านี้เกิดิเยาวก็มีสติดูกิจมีคิดุูกิดกิดนั้นก็ไปเรื่อย ถ้าจะพูดแล้วมันเป็นอนุสัยจิตเนี่ยโูกเนี่ยมันค่อยๆเชื่องแล้วละ่ะตึ้งของโลนะมาใหญ่แล้วมันใหญ่ใหญ่หญ ไ, ปไปไปถึงไหนหรอกต้นของโูกมันใหญ่ตั้งแต่ทีแรกขนาดแล้พอทําไปทําไปมันก็ไม่มีอะไรแนละ้วมีแต่กิตตัวจิตเท่านั้นแหละ เห็นมันคิดทันความคิดแต่มันไม่คิดก็โลกไปโลกไปเอาไปมาในลูในน้ำพระพุทธบาลก็มีขันห้าลูลงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็กำลังของความลู่ ตัวกำลังความเพียรกำลังศรัทธากาลังแรงโตมดุลมันรู้มานานมันไม่ได้ทำบาปไม่ได้สร้างกะกุศลคนมีสติรู้ไปรูไปมัเกิดธรรมชาติเกิดกฎธรรมชาติเปลี่ยนพกเปลี่ยนชาติสิ้นพพสิ้นชาติ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 ความทุกข์ความโกรธความโลภความหลง ม, มันปลีนเกี่ยวความวิตกกังวลความองความรัอความชังมันปีนเกี่ยวแตมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ปั๊บทันทีหลงตัวไม่ไปไหนแล้วเหนอของเส้นคงว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจา้าทรงอตัดว่าชาติสิ้นแล้วผมไม่จันอยู่จบแล้วตื่นที่จะต้องทําไม่มาอีกแล้ว ให้เป็นอะไรล่ะจะให้เป็นคนเป็นคนลักเป็นคนชังเป็นคนยินดียินไร่หรือมันไม่ใช่แล้วอันไม่ใช่แล้วนะมวันของเหลวไหลสิบกว่า้านการการปฏิบัติธรรมเนะี <c> ่ย <oughs> คำพูดมันก็อย่างนี้สามปีสี่ปีามาพูดเพียงสามสิบนาทีนะ <c oughs> ล้าค่อยก็ว่ามันโอ้แต่ที่จริงในการเดินทางมันต้องสามปีสี่ปีแต่มาพูดให้ฟังก็เพียงสามสิบนาทีสามสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็จะเอาวันที่หลวงพอพูดอีกหลอกบอกว่าเทียนพูดอเอาจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เอ า, เอามันก็ไม่ใช่เอาความคิดหรืออ๋อ มันก็ไม่ใช่ต้องเพียนต้องทําต้องการกระทำจะเจริญสติไปจเจริญสติไปหลวงพ่อเทียนพูดจะไงจะเอาให้ได้จะให้เป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนพูดก็ผิดไปแล้วไม่มีการกระทำความพูดหลวงพ่อเทียนคำใดเอามาคิดมันไม่ใช่เอามาทำถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นก็ทำไปจะไปสนใจจะไปสนใจ พำวเทียนเปดว่าให้ดูโูกดูน้ำเพราะอยากไปสนใจมาแต่เรามีสติดูกายไปให้มันเห็นกายนี่แหละมันเห็นอยู่ยองนี้ไปไหนยกมือข้างจะว่าันก็เห็นอยู่กายนี่แหละเป็นโลกตอนรู้สึกที่มันชิดโตนคิดนี่แหลเป็นน้ําเราดูอยู่แล้วแล้วกระโดดไปไหนดูเลื่อยไปดูเลื่อยไปอ่า การปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ถูกแล้วท่ามกลางก็ถูกแล้วที่สุดมันก็จะถึงที่สุดจะมีเบื้องต้นท่ามกลางก็ถึงที่สุดที่สุดก็ต้องเป็นที่ที่สุดก็อาศัยการเริ่มต้นและท่ามกลางไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ตั้งต้นก็สติท่ามกลางก็สติที่สุดก็สติที่สุดก็สติ คารู้สึกระลึละลได้พระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ก็เป็นอะไรเป็นญาณเป็นฌานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลผู้มีสติมันจะเกิดเจ็บเจ็บได้ยังไงมีสติมันก็อยู่ตรงนั่นแล้วคนที่โกรธเขาไม่มีสติคนที่ทุกข์เขาไม่มีสติคนที่เกิดเขาไม่มีสติ คนที่แก่เขาไม่มีสติคนที่เจ็บเขาไม่มีสติคนที่ตายเขาไม่มีสติคนมีสติคนมีความรู้ตัวมันมีอะไรตัวต่อม <c oughs> าโดยไม่มีการเกิดแจ็เจ็บตายนี่เราทำอยู่แล้วเราปฏิบัติก็ะทำอยู่แล้วอเราไปไหนเราบังจะไปไหนเราอยู่กับหมู่กับมิตรนี่แหละ ถ้ามีลูกก็อยู่กับลูกเออถ้ามีผัวมีเมียก็อยู่กับผัวกับเมียถ้ามีพี่มีน้องก็อยู่กับพี่มีน้องถ้าไปทําบาปทํากรรมกับมันเขาเว้นของมันแล้วมันไม่ไปทําดอกถ้าไปฉันจะอยู่ยังไงจะกินยังไงไม่ต้องไปคิดดอกนะถ้ามันได้ที่มันก็เป็นไปเองผมถูกต้องก็ร้ายอย่างเป็นคนถามว่าไม่ฆ่าสัตว์มันจะได้กินอะไร ไปทำมันจะได้กินอะไรมันได้กินอยู่ถ้าไปครัวถ้าไปครัวเพราะนั่นเริ่มต้นที่วัดป่าสุกโตเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ได้กินได้พักได้ผ่อนได้ไม่มิตรไม่เพื่อนตรงนี้เกิดความรักเมตตากันตรงนี้ก่อนแต่เพิ่งคิดหาที่ไหน เริ่มต้นไม่ได้ไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเริ่มต้นก็ความรู้สึกให้อ ภ, ภัยกันอยู่ด้วยกันไปอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรที่มันยุ่งยากแล้วให้สะดวกก็ก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆไปอก mm hmm. ารปฏิบัติธรรมได้ยินบ่ได้ยินไหมออ่าก็ฟัล <c oughs> ะ เปิดวันละเล็กต่น้อยเนาะล้วก็กราบพระพร้อมกันอะราหังตัมมาัมพบทโตอะพุตตาอะพวันตังอะิวาเดตวะกัตโตภะวัตาธโมอะโมนัมมะสา ปฏิปนุหอทอดทอดท่าท่าสั้งงทังังนาม